เสขาปฏิปทาสนธยาธรรมิกถาวันที่16มกราคมพศ2547เรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยประวัติของอนาันทาบิณฑิกเศรษฐีไม่ได้นั่งสมาธิเลยเดินไปเป็นสมาธิเพราศรัทธา จะย้อนไหมใี้เวลาน่าเหนื่อยเพราะว่าผมว่ า, วาน่าศึกษานะชีวิตท่านนั้นเนี่ยที่พระอุบาคุบาอาจารย์รุ่นเก่ามานั่งสมาธิที่ไม่มีอะไรจะจะทําก็มานั่งว่าพูดโทรพูโทรบริกรรมไม่ใช่เร็วนะไม่ใช่เร็วลานะถึงแม้ไม่มีในระบบการปฏิบัติให้ไหาอย่างนี้เปิดดูพระดาิโดกสองหมืนหนึ่งพันเก้าร้อยี่สสองห้าสีส่สห้าไม่เคยมีมานั่งให้ว่าพูดโทนั่งว่าวยุ่น้องของน้องก็มี ผมท้าได้เดนไปเปิดจนตาไม่เห็น45เล่มแต่มีมีคือใครคืออนานาวิทยาเศรษีเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิดอกเดินไปคิดไปพูดไปเพราะอะไรรู้ไหมแกไปเยี่ยมลุงคือพี่ชายของภรรยา เมียของอนาถาบินทึกาเศรษฐีนะั้นเป็นน้องสาวของราชชิกาเศรษฐีอยู่ที่กรุงราชคึกก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมลุงคือพี่เมียแต่ละครั้งไปเยี่ยมก็ต้อไปคุยกัน เ, เรื่องขายเรื่องขายแล้วตามภาษาของนักธุรกิจค้าขายอะไรแหล่งเงินทุนใหญ่อยู่ตรงไหนแหล่งสินค้าตัวนี้อยู่ตรงไหนที่เขาต้องการมากต้องไปขายตัวไห น, นที่ไหนที่ไหนไมันมีสภาที่ไหนไม่มีดีมาเราจะท้าพายยางไง สองคนจะต้องคุยกันเป็นเป็นประจําถ้าไปพบกันเพราะต่ละค น, น ก, ก็เป็นเศรษฐีน้องเขยก็เศรษฐีลุงก็เศรษฐีแต่วันนั้นไปแปลกลุงไม่สนแใจน้องเขยเลยไม่ได้สั่งคนพาฟื้นตักน้ำทำอาหารพุ่นบาไปหมดให้ทำให้ทันก็เลยถามลุงแต่ละครั้งที่ผมมา เราสองคจะพูดกันเรื่องธุรกิจเรื่องพาณิชย่การค้ า, าแต่วันนี้รุนไม่ค่อยสนใจรุนวุ่นวับรุนลุ่มวุ่นวายอยู่แต่การทําอาหารสั่งคนใช้สั่งคนงานทําอาหารการกิจจนจําหนวนมาๆกๆพรุ่งนี้จะมีงานอะไรที่บ้านจะมีงานอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคลที่บ้านหรือหรือว่าพรุ่งนี้พระเจ้าพิมพิสารจอมราชา แห่งแคบแฟมโคดนึงจะมาเยี่ยมลุงแดงถ้าเชง้อาเศรษฐีบอกหาไม่ได้ไม่ใช่ที่บ้านของลุงนีงจะมีงานอาวาห์มงคลวิวาห์มงคลดอกและไม่ใช่ว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาห์บริแห่งแฟมคตจะมาเยี่ยมดอกที่แจกงานใหญ่โตเตรียมอาหารจะเลี้ยงพระพวกนี้ลุงสร้างกุติถวายพระ สาวกของพระธรมพะพุทธเจ้าหกสิบหลังและนีิม น, น, นพุทธเจ้าพร้องพระสาวกมาฉันที่นี่พอได้ยินคาพพระุทธการพระตาฟาพระาบริวบัพพุทโธคำเนี่ยวขนลุกปรลียว น, าาย น, น้าตาไหลนั่งนิ่งเป็นสมาธิแล้วนะปีดีขึ้นมาอย่างแรงแล้วเกิดปรฏิทิแล้วก็เกิดความสุขเกิดสมาธิเสทีแต่มันได้มานั่งแยงเราหรอกเรียกว่า บ, บาลามีสุขงอม วาสนาการตางิกา ร, รา น, รออ น, นุนพร้อมแท้ของมันพอาอย่างเงี้ยนวัตถุพร้อมเนาะมันก็เป็นคึ้นไปลุงพุทธโธหรือพุทโธพิพุทธโททธแม่พุทธโธนี่ไม่เคยใครได้ยินนะโลกนีงจะได้ยินได้ไดยากมากแม้แต่คําว่าพุทธโธเสียงนี้โลกจะได้ยินยากมากลุงพูดว่าพุทธโธเลยลุงก็บอกใช่ถ้าพูดว่าพุทธโธวันนึ่งพระเจ้าจะมาที่นี่ ถามอีกยังไม่ไี่จะจริ้งหรือลุงผู้ทีเจ้ามีเลยในโลกในผู้โทรมีเลยมีถามนั้นสามครั้งโอ้ยตื่นเต้นมากคิดว่าคํานี้ญาติที่โลกจะได้ยินนอนก็คืนนอนกับเสากระสายขื้นนั่นแจ้งแท้อยจะเห็นพูทีเจ้าเรียบธรรมอย่างเข็มขึ้นนั่นแจ้งทาน้อนางแจงทานอคิดบริคิดดีคิดออกมาก็พูดโท มุย้ยเพื่นบอกลราของเก่าคงจะเป็นวาสนาในที่เคยคุยกันมาวาสนาประมานี้ฉันเคยเคยสินต่อๆครั้งนอนมาลับพิกไปพิกมากูาพุทโถนอนพิกไปข้างห น, น, ททนึ่งก็พุโธพูจยาน้องน่ขึ้นนั่นแจ้งทงนอ้องจะเห็นทีสี่ฝหนึ่งมันมืดไฟฟ้าไม่มีสมัยน้พิกไปข้างห น, นึ่งกพุทโถพริกมาข้างห น, นึ่งกูพุดโถลุกขึ้นกูพูดโทโอ้ย สมณะแจ้งแต่เฮ้ยอย่าไปเห็นเองแล้วมือเลยลุกขึ้นเดินเลยเดินไปเลยพุโทโธหายจะเข้าพุโทโธหายจะออกพุกโทโธไปมามืดเติบ๊บบัปนี้เอา้ามืดคือความคิดเรื่งพุทโธพุทโธมันมันมันเกิดผ่องใสในจิตทําให้กลางคืนในกลางันสว่างนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้อาจจะมีบางคนเห็นก็เห็นกลางคืนสว่างนั่นมันเกิดจากจิต จินที่มันผ่องใสด้วยพลังสมาธิอรพัฒนรามิเทพิกเวจิตังอาคันตุเกเซงอุปกิเลเสขิอุปกิลิถังพิสูจทั้งหลายคิดนี้มีลำแสนสร้างไปแต่กิเลสเข้ามาเป็นแขกทำให้จิตนี้มืดปิดสนิดดทดามในกิเลสมันเบาบางหลงกิเลสนอนลหลับกิเลสหลับมีนะกิเลสสาสานนัญญานิถา คิดเลยนอนหลับไปคิดจึงจะผ่องใสขึ้นมาตอนนั้นอนาถาบิณฑิกาเศรษฐิลุกขึ้นยืนยืนมองหาทิศทางเมื่อไรเน้ะจะสว่างเนาะก็พระพุทธเจ้าอยู่ทางนี้ทางที่ตอนออกนี้ถ้าสว่างแล้วจะรีบไปเดินไปมองไปมาในใจก็คิดพุด ท, ทองพุ้ดทองอย่างเดียเลยสว่างสว่างสว่างขึ้ น, นกน็คือเป็นกลางคือจิตที่มันผ่องใสขึ้นก็เดิน แจ้งเราไปรถเราในฝรั่งเสอะไรของวันรถไฟเลยเดินไปเดินไปเดินไปพูดโทไปพูดโทไปสภาพมันมืดตึ๊บมันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนมืดเลยเขามืดปั๊บขนลุกขนลุกขนพองกลัวมันไม่ใช่กลางวันมันก็คืนมืดตึ๊บเอ๊ะเราไปได้ยังไงวะนี่จะถอยกลับไฟฉายก็มีทำไมมันไม่มีไฟฉายตอนเดินมามันสว่างแต่นี้มันมืดเติ๊บ พอคิดจะถอยกับขนขนลุกขนพองกลัวแล้ยิ้เสีประลาดบนหัวช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวอัสดรภาชีอย่างร้อยตัวนางกุมารีทาสีทาตาทั้งหลายร้อยนางเครื่องประดปะดากุญ t h o พวกเครื่องปดบปดาบเป็นเป็นพันสาประณนะแต่ลนางแตลนานเพราทั้งช้างร้อยตัวม้าร้อยตัว นางกุลธาสี ท, ที่แสนจะงดงามด้วยเครื่องประดับนางละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันกาบะยังไม่เสีย 9, ้ยก้าวดีที่เก้าไวข้างหน้าไปเถิดเขาพระริจาคมีข้ามาังกรสี น, อน้องนี้อันนี้เป็นคํากับได้ยินคนรู้คืออะไคนลูกกับเสียงที่ได้ยินเสียงไข่เสียงสิวา่ากระักยักบอกแต่ว่ายักษ์ดีนะเรียกว่ายักษ์ขัดเทพเทวดาประเภทอยากบอก ไปเถิดท่านจงก้าวไปข้างหน้าเถิดก้าวเดียวของท่านประเสริฐกว่าช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวนางสนมนารีคุณธเกินางคุณนันทนารีที่งดงามเป็นหนึ่งพันนางก็ไม่ด้เสี้ยวก้าวเดียวที่ก้าวไปข้างหน้าจะไม่ข้ามากว่าจงเข้าวไปเถิดแข็งแก่ก้าวไปก็คุดโถส ว, ว่างกว่าก็ไปไปนนวิวีเลยบนแสงอย่างวางิวเป็นคึดด่างจนมือตึ๊กมืออีก ลังเลจะถอยเอมันยังไงวาเลินตลกหน้าวัวเมือ่อได้ก็สว่างได้ก็เมือ่อพอเมื่อตั้งได้ยินเสียงข้าบนช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวนางสนมนารีนางคนนั้นนารีที่สี่แสนจะงดงามมีเครื่องประดับประดาบนางละพันกหาพนักงานนางละพันกะหา พ, น, าพนักมีค่าน้อยกว่าเก้าดีที่เก้าไปขานาหาพระสมานตัยฉัร เป็นอย่างนี้ถึงสามครั้งเลยเมื่อใดแจ้งแล้เมื่อใดแจ้งเราก็ได้เสียงอะไนั้นพอผู้โธขึ้นก็แจ้งพอวันไหนขึ้นก็มืดเลยกล้าไปคุ้มกับผู้โทกล้าวไปกับผู้โธกล้าไปกับผู้โทรพระพุทธเจ้าเดินจงกรมจ่อป้าไผมาเถอดสุทัศจ้ามาเถอดเรารอรอจงรอคอยอยู่ตรงนั่งรอดีให่มากคนลูกคนท่อพระพุทธเจ้ารู้จักชื่อเราได้ยังไงลงไปกล่าว แล้วฮันก็แสดงธรรมให้ฟังนาอันนี้ไปกลเรื่องนึ่งไหมครัทำไมดราพูดเลื่อนี้นจะพูดถึงบุคคลที่มีมีสถานมั่นคงที่เป็นระดับมาตรฐานเป็นเครื่องวัดของความเข้าถึงกระแสแห่งธรรมระดับโสดาบันโสดาปิกยังขับและต่อมาอีกพระเจ้าพิมพิสารจอมราชาแห่งมครดลับนักราชะคืออันมั่งคั่งพรังพร่งพร้อมไปด้วทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าถึงโสตบริยังค่าธรรมศรัทธาสินจจกประยามัติฐานจำสินุโบสดเดือนละสี่ครั้งนี่คือพระเจ้าแผนดินนะเป็นแบบอย่างประชาชนแล้วมาดูตัวอย่างอีกบางคนนางวิสาขาเข้าถึงกระแสทรอันรรนี้ตั้งแต่อายุน้อยแจงสาวรุ่นป้าก็ว่าเจ็ดปีมันเพราะของเก่าเองเป็นคนสวยมาก มีลูกดอกมากตั้งยี่สิบคนลูกอายุต่ง120้งร้อยี่สิบปีนั้นถึงโสดาวานสร้างวัดขึ้นวัดนังใหญ่โตมากชื่อว่าบุบพลาหลาพระพุทธเจ้าประจํามาตรานั้นตลาดทางสาคนนี้มีเกียรติคุณสูงสรงมากในในแฟนโกศลช่วยสนับสนุนงกิจการพระศาสนาไม่ห่างเกินไปไหนไปวัดไปวาไม่เคยมีมือเปล่าต้อ่มีของไปฝากไปถวายพระพร ะ, ร ะ, ร ะ, ระเรียกว่าเป็นแม่เลยละ่ะ นี่คือบุคคลตัวอย่างและที่มองมองดูคนชั้นต่ำมีอีกนายแพทย์หมอชีพบโกมันละพัฒลูกกาลีลูกนางสเป็ตหนึ่งที่เขาไปเทงแต่พัฒนาชีวิตเจริญ น, นานชีวิตมาจะเป็นหมอที่โดดเด่นไม่มีใครเกินเท่าทุกวันนี้วิชาแพทย์เป็นปรม า, าจารย์ได้ฟังธรรม菩าสดาเข้าถึงสถาศินจขับปัจ ญ, ญายอย่างมั่นคง เป็นโซดา บ, บันสร้างโรงพยาบาลสองโรงแรกของโลกชื่อว่าชีวะกรมพันส่วนมะม่วงคนในในชีว์รักษาพระมีสถานะในพระตัตนาตายถ้ารักษาผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ให้เงินเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านก็ต่างถ้าได้ยินข่าวพระพุทวัวงรักษาพระตีจะกลับมานะเพราะเ พ, พราะว่าเจ้าโบยอยู่วัดอยู่อารามไปพระรักษา นานาเข้าสร้างโรงพยาบานเลยสร้างวัดไปที่รักษาจนมีเรื่องเวลาว่าพระปอมบวชนั่นเ้ามันจะปอบวชบวชจริงๆแต่บวชมารักษาโรคไมได้บวชเรื่องสมัมไม่ไดบวชเรื่องใสบางคนเป็นโรคขี้ทูดกุถังขี้โรคเลือนเข้าไปรักษาหมอเอกก็เสียงเงินถ้ามาบวชหมอชีวคอเอาใจใส่ในการรักษามาบวชไม่ไมีสถานในสินนน่งหนึ่งบวชรักษาถลอนเลยนะ อสาหารือซิกวะไเป็นขีกาขีเกลอนเป็นฟีปิเอตเอมีเวิรดฟีก็มีได้ตเองข้าสมมติเพื่อนมาเขาาไปคืนเป็นนึ่งเนโลเองอยู่ไว้แต่บิษิเพื่อบริษทอย่างันอาโรโซโซวาแเนี่ยมือเศ้าไปใส่บาดเห็นพักป่วยก็ไปรักษาพยาบาลแล้วก็เอาอาหารไปถวายทุกวันเย็นมาเห็นศึกเดินสถดางกันเอ้าเมื่อเช้าหนึ่งผมจำได้ ผมเดินไปดังขันเไปถำายอยู่ที่เตียเป่วยใช่ไหมใช่แล้วซึกทำไมมันหายแล้วโรคมันหาก้ซึกงสิไม่ได้บวมีสถาราที่บวมรักษาโรคได้ความไปผู้ทีจะยังอยู่ก็ไปกล่าวผู้ท่จะเต้นนี้ต่อไปอย่าเอามาบวชนะพวกนี้ห้าบวมพวกขี้กากินหัวเนี่พวกขี้โลดขี้ทูดกูทถังนี่ต้องขำส้คัเป็นบ่าให้บวมมันบบวมในศรัทธามนมัน บ, บวมวโรคที่มีเวลารบวอุปชาจึงถาม กีลาโซซีแต่ว ok ่าจะไปขีกากบอเปนคแปลกโขี wa, ่กาเต็มก้งก็ว่านาทีฟันเตวมีตัวคนหก็ว่าขี่ตัวบวตักันแล้วสอุปสรรบอกว่านาทีฟันเตไปว่าตัวสลักันไหมเราัวผมม่รู้ตาดับบุีเราปุตตาไม่รู้ตกปุตกระทงเรอันนี้สายอาจารย์ชีวชีวกมวันธรแล้วหมอคนนี้ก็เขาถึงคำระดับโซดาวัน นางโสภินีชื่อว่าอัมพปาลีเธอก็สามารถสร้างวัดอัมพปาลีวันได้โดยเฉพาะหมอหมอชีวกหนะึ่งโดดเด่นมากไม่เคยมีใครเก่งเกิดเขาทุกวันนะี้ทำยาถ่ายพระเจ้าดมออกมีไหมหมอทุกวันทำยาถ่ายชนิดดมมีไหมพระพุทธเจ้าไหนะเมื่อกินเจ น, นะฟังให้ดีนะกินอาหารอยรร่างพวกเราไหนะตามมีตามเกิด จีงเป็นภพยานิทางทางร่างกายมีพยาธิตาตาพยาติปลาขอพยาติเส้นด้านตัวกบตัวแบนฮุกเวิร์มริมเบิง ม, มีหมดพันหนึ่งพระธรรมสัพพุทธเจ้าของเราภายผอมพระวรากายสูบเิีย ม, มีพยาติในท้องเยอะก็ไปบอกหมอชีวกันดูหมอชวีวกบอกโอ้ถนอมพุทธเจา้าพยาตินาล า, ามีมีจำนวนมากในพระวรากายของพระศราสดา และอย่างหนึ่งผมจะรักษาพระสมองสามภูริเจ้าเป็นคนพิเศษไม่ใช่คนธรรมาดาต้องใช้ยาพิเศษยาไม่เหมือนชาวบ้านใคยาชาวบ้านหนึ่งต้มให้กินก็หายแต่ไม่ให้พระองค์ลำบากแค่พระองค์ดมเอาเอาด อ, อกบวัวมาอบอบตัวยาอบลำสมุนไพรกินบวัวแต่ให้พระภริเจ้าดมบาๆห่อยให้ดมนะดมชูกบัติเดียวหนึ่งถ่ายสิบครั้งทําให้สาวดอกสาวดอกดอกแล้วซีดเทือ สามชิดเทียบนนะไม่ให้กินขา้าวถาปากให้ให้กินดาษถาา่ายทางจมงูกมีอยู่บอกมาหมอมไให้เป็นบอกบอกเก่งส ม, มองช่วยชียช่บอกถมขนาดเครื่องมือดีๆนะมีคอมพิเตรอรพิเตอร์มีเ ล, เลเซอรงเรเซอร์ยัไม่สามารถจะทจายาดมชนิดน้ได้ยาถายไนิีนได้หมอช ว, มมออว่าทำ้ำซดอกเพราะว่าให้ท่านดมบอกห้านม ทอดมดอกเดือนสูดเข้าไปครังเดืนนึ่นจะถ่ายสิบครั้งเมื่อถ่ายสิบครั้งแล้วให้ดหมดอกไงดอกที่สองก็ถ่ายซิทแล้วดอกที่สามเหมือนกันบอกแะไรก็บอกให้อนนนแล้วก็กกจะรีบไปหาคนไข้คนเด่นที่รอคอยที่จะปวดอะพอรีบไปไปถึงประตูซุ ป, ประตูพระเชตวันแล้วลึกได้โอ้ลืมบอกไปลืมบอก ความจริงดอกสุดท้ายในพระพุทธเจ้าของเราอ่อนแรงแล้วอ่อนแรงแล้ว อ, อ่น อ, อนแรงแล้วถ่ายมาถึงถึงยี่สิบครั้งจะมาดมดอกที่สามนั้นมาถ่ายอีกสิบก็เป็นสามเจเจเหนื่อยมากจะต้องบอกว่าดมดอกที่เก้านี้เมื่อถ่ายมาถึงครั้งที่เก้าให้อาบน้ำอุ่นเพื่อจะให้มีเรืองมีแรงและท้องมันก็หยุดหยุดเมื่ออยู่แล้วก็ เม่อมันหยุดแล้วพอพักผ่อนแล้วจึงให้เอาอีกแต่ไทยอีกครั้งที่ทหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นสามสิบพระยาจะหมดทั้งทั้งทั้งไครทั้งแม่มันลืมบอกก็เลยคิดว่าเออเราไปรักษาคนอื่นแล้วกลับมาบอกก็ได้มันยังยัไม่สายเราจะกลับมาบอกไหไปรักษาคนอื่นเพลินไปลืมลืมมานึกได้มุนตะวันตะตะวันจะตกดินแล้วิว่งทะเลยพะลามามันบอกอึดตาเลแล้วนนน ผมลืมบอกว่าพระศาสดาจะต้องดมดอกบวัวหนถึงสามดอกดอกที่หนึ่งก็แล้วไปพระพระนุนบอกพ ร, พระธรรมสัพพุทธเจ้าบอกเองแล้วคุณหมอเมื่อคุณหมอเดินท่ายคอค้องค้อยไปพ ร, พระธรรมสัพพุทธเจ้าบอกว่าอานุนเมื่อเราดมดอกที่สามเราถายปประมาณสักเก้าคำใครจะเอาน้ำอุ่นมาให้ดอกรับ หมอชีวะคนลูกขนผองออาชจรรท่ารู้ได้ยังไงรู้มันมันเป็นหมอเราไม่ได้บอกสะหน่อยเราเลยเราไปกราบถามพระเจ้า อ, ชอาชอาภูต่างพันเตอาชย่ามพันเตนะอาช จ, จ, จริงเพราะผู้มีพระเจ้าผู้เจรนญก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังเข า, าอยากอะไรต่อเราไม่ได้เป็นหมอดอกชีบอกแต่เรารู้เมื่อเธอเดินไปถึงซุประตูนั้นเธอคิดได้ใช่ไหมสมใสจิตตามยอมรับ เมือม่อได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทุกพระเจ้าก็เลยหมดพระญาทหมดเลยของใช้บว่ามาขอพรบัด น, นี้ข้าพระองค์ขอพรสักอย่างเมื่อรักษาพระวิมไพเจ้าดีแล้วพวุทธายบวชเราเลิกให้พรมานานแล้วชีบะผมไม่ขอมากหอกขอนิดเดียวขออะไขอให้พวกเราได้ของพระเลยเ็เถอะกันเนี่ขอให้ประชาชนผู้คนทั้งหลายได้ถวายพระจีวรเป็นเครื่องกับพระ ภาพไม่ต้องลำบากไปหาในปา่าในดงผักปางสกออกปางสกุลคนพอจะมีสถทธาพอจะหาได้แต่ผมขอพรตัวนี้เขาอยากก็เลยเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยอนุญาตให้นี่คือพรนะพรแปลว่าสิทธิพิเศษอันชอบทานที่พึงจะมอบให้ได้ตามคําขอของผู้ขอนี่ชื่อว่าพรบางคนบอกเป็นรุ่มประเด็นสีได้หรือไม่ก็เลยมอบให้ให้หมอชื่ีว่าถวายพระได้ ทีว่าก็เปประกาศไทยบานให้ทำเหมือนกันวันนั้ผพาพาเหลืองเต็มเต็มกรุงราชเชือขึ้นไงใครก็อยากได้บุญจึงจะเป็นเหตุทั้งพวกเราไม่ต้องไปหาภาพบางสกุลทุกวันนี้ผมคุ้มได้เขาถวายเป็นพื้พื้นอันนี้ก็ระดับโสดาบันอีกคนหนึ่งที่ยากจนที่ ส, ดสปปุดสุบพุทธกุฏิดูดูมาตรฐานศรัทธาขนาดไห น, นคนนี้เป็นคนโลกเรือน ชื่อเพราะพอสุ ป, ปะคุธะกุธิแต่เป็นคนโลกเรียนกุธีกุทังมันไปแบบขี่เงอนขี่เงินคือมังคุปปธาขี่เงินไปหาคอทานตามวันตามชอ่องนังเรื่อนไหลยเยิ้มตามมือตามตัวขี่เรือนแม้วันตอนเป็นฟุง่งพอดีพระยากาลังแสดงธรรมอยู่ที่เชษฐาบันแกก็มาเห็นคนมากก็จะไปขอทานจังอางมาที่นี่คนมากน่าจะขอทานได้บ้ากคนใจบุญควจะมี ก็ไปผู้เจ้าแสดงธรรมอย่างในทางบทถ่ายบริษัทเต่าก็มานั่งท้ายๆเข้ากลางไม่ได้ไปหาใครๆก็บอกมึงไรนี่อย่ามาใครไรลังเกียจไม่วันตอบเป็นมูเป็นมูจะเปนน้ำเรื่องง่อยน้ำยางจบเราไปนั่งอยู่ใกล้ๆนั่งฟังน้ำมูจบแสดงธรรมเรื่องโสตะไปยังคั้นในเรื่องสถาสิงสุตะแต่ขปญญานเนี่ยพากลว่าโชคดี ฟังรู้เร the ื่องเป็นสุตตวาอริยสาวกอริยสาวกผู้ได้ยินได้สลักผู้ฟังได้เข้าใจดังหวะดังที่กล่าวมาแล้วถ้าเราฟังเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเป็นเป็นอสุตตวาปุรุชนปุรุชนผู้นั้นในี่ยเลยกิเลสไมได้ยินไม่ได้ฟังอะไรไมนได้ยินเป็นยังไงวันนี้เราจะเป็นสุตตวาหรือเป็นอสุตตวาก็คิดดูคนโลกเหลืองคนนี้ฟังรู้เรื่องเป็นสุตตวาอริยสาวก เกิสถานมั่นคงในพัฒนาใจมีศีลตํะหนัพฤติกรรมของตัวเองตั้งแต่เคยมาตั้งแต่บนี้เป็นต้นไปจะไม่ right. ทำเองที่จะเบียดเบียนตัวเองแล้วพูดมีใจค้าปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งอารมณ์ทั้งดีและชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่ให้มันโขกพันมากน้อยแต่ให้เกิดเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถึงปั้นนั้นมีปัญญามองมองเห็นเข้าใจโลกและชีวิตตามที่มันเป็นจริงบางท่าดีอย่างถูกต้องตรงมัน พอเพื่อรรทำวัฏฏนานั้นจบไปปั๊บทุกคนลุกกลับบ้านแต่คนโรกเหลือคนนั้นนั่งเฉยไม่กลับเอออิ่มใจพองใสเบือบดอว่าด้วยด้วยพระธรรมวัฏฏะนานั้นและทำนี่ปรากฏแก่ใ จ, ใจคือโซดาป็นแกงขาเข้าถึงแล้วผองใสเบิ่อว่าไม่กลับเขาวเจาเดินมาหามาถ า, าเอาเธอเมื่อไปไหนมาไหนเลยสุภวัฒ ข้าพระ อ, องค์อิ่มแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินข้าวอิ่มด้วยรถพระธรรมริพรสาสาทรงแสดงโดยเจ้าพระ ส, สัทธิตาจาระข้าพ ญ, ญานี้ข้าพระ อ, องค์ค้างพร้อมอยังในใจจิตใจมองมองมาเห็นตัวไหนว่ามันมันจะไม่มีตอนนี้มั่นใจได้แล้วพระเจ้าบอกว่าเธอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนยากคนจนนะอาธาลิโตตีตาอัหอโมคันตรสะชีพตังเธอไม่ใช่คนยากจนบัด น, นี้ ชี้ของเธอมันเป็นหมันเลยมีแกนมีสารกล่าวผูทธเจ้ารีเดียก็ออกออ ก, ออกจากวัดแต่ห้าขอทารด้วยความร่าเริงใจที่ตนเองเขาถึงทำประเภทนเดินร้องเพลงไปแดดก้าก้าอันน้ำเลิ้งไหลอยู่ร้องเพลงอยู่ยกล า, างค่ำกลางสายแดดสายลมพูดทั้งทะลังขาชามีไปแล้วไปเลยทำมังตัทีนี้มีอีกเรื่องนะ เทวดาชอบเทวดาฝากพระเจมากูเองเทวดาน้าองเล่งกูเอเดี๋ยวพวกเรามาปฏิบัติธรรมหนเทวดาพวกไม่ดีเขาเขาจะคอยทดสอบอยู่เรื่อยมีทีนี้พระอินทร์พระอินทร์มีหลายระดับนะมีมีเธอมีทีมนะครบหมดอายุพระอินทร์มาตอนก็พระวิโ อ, องไงขึ้นไปบางองค์บางอางค์ก็เป็นคนคนทำสัคงคมสงเคราะมากพวกนไหนชอบทำ มีอุดมการช่วยสังคมตรงข้อบ า, ม า, มาองๆคนนั้นจะได้เกิดเป็นพระอินแต่บางองค์แกบรรลุธรรมเป็นโสตบันแต่ไม่ใชท่ทุกๆองค์ไปปรากว่าพระอินทร์องค์นั้นสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นโสตบันอยากลองที่ไ อ, อ้คนยากคนจนมันล่าเลยอยู่ทําการสายแดดสายลมร้องเพลงน้ํลายนัย่งเรืออะไรเยิ้มเดียวเราสงสารความโ ง, ง่องของมันพระอินทร์ชอบสังคมตรงข้อนะ แม้แต่เปเทวดาก็ต้องช่วยคนยากคนจนอันนี้เห็นว่าคนยากคนจนคนนี้พ่อตัวไอ้งอคงนั้นจะไม่เข้าถึงโสร์บอลเหมือนเหมือนเหมือนอโคโรือคนนี้ก็เลยแปลงร่างเป็นคนขวีญใจได้ซาีแหง <c oughs> แตอนนี้คุณว่า อ, อ่องนอนไม่หลับรอกคอยเฝ้าอยู่ตรง น, นั้นแหละแปลงร่าง เป็นเศรษฐีเป็นเพื่อคนร่ํารวยขี่ขีรถมามาก็มา จ, มาจอดตึก๊กเฮ้ยไอจะขี่เรือนเจ้าร้องร่าทําเพลงอยูท่ทําไมการแดดสาสายลมอย่างนี้เข้าไปเจ้าร่าเริงทำมะนันทิทำมะปราโมทได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าราเริงเปนพระธรรมตายที่เข้าใจนั่งเยออย่างแกล้จะไปไหน อาเขาจะต้องไปขอทานเนี่ยที่ยังไม่ได้ยินข้าวข้าวไม่ข้ามันยังไม่ตกถึงท้องเลยวันนี้ถ้าอย่างนั้นแก้จอกเงินนี้ไปพักเงินให้หนึ่งร้อยกับขนะ้าพเจ้าแต่ดยเกิดมาไปขอทานไม่เคยรวมแรงขนาดนี้เลยถ้า ม, มีใครมันจะมาทานให้ไปร้อยมองดูหน้าถห้ทำไมถึง ใ, ให้ให้ข้าพเจ้ามั่งนะถ้าดับโสตะวันมันเป็นอย่างนี้เนะมันจะทําลายมัชริยะห้าได้และ มันจะทำลายอคติสิต่อซื่อตรงต่อเหตุต่อผลต่อหลักต่อการก็เลยเห็นว่าทํารื่อนี้เกิดขึ้นมันจะไปฆ่าทํำอย่า ง, ง, ง, งตายไปตั้งมางกมาฝ่ายบวกฝ่ายลบก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันผิดปกติมันผิดปกติแล้วข้าพเจ้าขอทานมาไม่เคยคือมันเคยมีใครมาให้เป็นพันเป็นร้อยอย่างงี้อันนี้ยังไม่ได้ขอเลยท่านวาให้ท่านให้ข้าพเจ้ามากทําไมไหว้ มานานันน่ยู่ผีปกตินี่นี่มันเกิดปัญญาพระอินทร์ปองก็เลยบอกวะ่ขาข้าพเจ้าสงสารเจ้าเจ้านําเป็นคนโง่ม่มีกินมัมีมอะรจะใส่ปากายปาอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เช้ามาจนวันนี้ยังมันบอกว่าพูดทงงางตะนานข้าฉาไม่ทำทางนานก้าามไสังทานานข้ามีพระพุทธเจ้าเป็นสระเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นสระเป็นที่พึ่งพระสพระสง์เป็นสนที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขาถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ พระพุทธพระธรมพระสงฆ์ช่วยช่วยเจ้ามาดาช่วยอะไรเจ้าได้เจ้าร้องร้องได้แหกเฉยอยู่ตรงนี้เจ้าอยิงท้องไหมเข้าเจ้าสศสารเจ้าตัวเอากันเจ้าหนึ่งร้อยบอกไม่เอาดอกมันมากไปนะพวกอาคติสี่นี่จะไม่มีแต่ผู้ที่เข้าถึงทําเหล่านี้ถ้าเป็นคนประเภทนั้นดีทั้งเป็นเป็นข้าราชการเป็นเป็นพี่ผู้ผู้ที่อาสาเป็นอะไรแต่ไม่กินคอรับชั้นดอก โพนี eh, Home, uh ้ผู้ารย์จะบอกให้เราไปสอนค่าราชการด้วยนะอามะจาวาค่าราชการกอดีใ <economical> ห <one gunt ik> <Som> ้ไปสอนเขาทําไม่ค่ามันเข้าถึงเรามันจะไม่คอร์รัปชันเีนี้มันมาให้สอนไปทํำยังไงแต่ว่านี้มาแล้วมาแล้วบันนี้มาขอเข้าสาวอยแจ้งให้มาโอลงให้อย่างนี้เอาแต่ค่าราชการหพรหน้าส่วนการศึกษาหพรหน้าหน่วยค่าราชการทั้งมแต่จัดของสถาบันสำนักภูริสถานแห่งจังหวัดสกลนคร นำล่อมไปก่อนวะคือดีเท่าไ่มาลดตายทีมอินเดียไม่ทีมต่คนนี้ก็บอกว่าบางทีปกติเอาขึ้นไปเข้าเยาไม่เอาดอกหรือว่ามันน้อยไปเอาไปหนึ่งพันกหาปณะเนะข้าไปแาจะให้มันมากไม่เอาดอ ก, เ อ, ดอกเอาสักหมืน่นสักแสนไหมแกจะจะับมาต้องไปขอเกินตลอดถึงมันตายแกสามารถจะตั้งใครหันจะไปก็ได้เงินหนึ่งแสนกาหาปณะห น, นึ่งแกไม่ต้องเดินดิน แต่ต้องจ้างคนหาให้คนโอโล่มากลางกลางกั itself, ้นแดกกันพรให้แกเจ้าแกจะไม่ต้องโง่ออกไปถึงผู้พูดประทัมประทรงไม่ทิ้งอ่าเอ๊ะไี่พูดปกติเลก็ถามแจ้าเป็นใครแจ๊บเป็นใครจะจึงมาว่าอย่างนี้มาจ้างให้เราเมื่อเมื่อเราเอาไปแล้วไม่ให้เราไหวพริอย่างนั้นเดี๋ขนาดเรา่าเราพูดอยู่างนี้เดียวจะมาจ้างเราเห็นว่าเราโง่ถ้าเจ้าเอาไป หนึ่งแสงกหาปณะนะข้าจะให้เจ้าเป็นเศรษฐีให้มีคนหามให้มีคนกั้นรถมาจาับเจ้ามาโดยเดินดินจะอยากกินอะไเขาป้อนซื้อเอาอย่างไรถ้าเป็นพวกเราธรรมดาก็คงจะดีนะแล้วแกบอกว่านอกจากนั้นเป็นยังไงนะ น, นอกจากนั้นแล้วเมื่อเจ้ารับเงินข้าไปเจ้าจะเข้าวัดนะอยากกราบจะไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเลิก ใครจะให้เจ้าเป็นเศรษฐีมีเถอะใช่ไหมจะแบ่งจะรับจิดชอบมั่งทีนี้เอาไปก่อนหนึ่งแสนใครนึกมองหนะ้าท่านเป็นใครท่านเป็นใครจริมันมาจ้างเราอย่างนี้บอกเราเล่นน่อยได้ไหมเราคือเทวดาเราสุสารเจ้าไปคนโง่น้อยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แหกปากร้องแร่แหกกระเชิดกลางแดดท้องไส้ไม่มีอะไรจะกินมันโง่เซ็นจะโง่กันไปนะ่ะ ข้าจีนต้องมาช่วยเจ้าเพราะอ่างนี้ว่าไงอเปหิทิวะ เ, เตเตหิส่หูมงไปให้พ้นเทวดดาชาชัวนี่ว่าให้เห็นหน้าอีกเลยนิดาทิบดดาตาบอกใส่หูไปให้พ้นแบ น, นังจีนเลยเอาเงินเจ้าขึ้นไปเท่นั้นเทวดาฟังอยู่ด้วยปทัทภพาเอกาเชนะสกสักคำนีนะว่าสภโลกาธิปเจนะโซตาปฏิพลังพลัง ยิ่งกว่าเอกลักษณ์ใดๆในแผ่นินยิ่งกว่าอธิปไตยใด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆในโลกลายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆอย่าว่าจะเงินหนึ่งแสนกหาปนานเลยเอาสวัรค์มาให้ทั้งหมดก็ไม่เอาถ้าจะมาแลกมาให้เราเข้าถึงพระธรรมแต่ตไม่ให้เราไหวพระน้อยแน่ไม่ใหไหวพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่าว่าแต่มเงินเลยให้สวรรค์ทั้งหมดทุกแสนเข้าเขาไม่เอาพระอินทร์ได้คู่เข่ากล่าบขอโทษนี่คือคื อ, คอสถาปิเครื่องวัดมาตรฐาน ัสถานนิพพามูลชาตาิปฏิเทศตาทัานห้าทั้งหา้าเรามาสมณีวา่าเทเวนาวิกบาเกนจีวาโลกะสมิงศรัทธามีรากแก้วอย่างลงแล้วอย่างมั่นคงในพตันตนาตยเทวดาก็าดีมังก็ดีพมก็ดีสมณะรามคือนักบวชนอกศาสนาอื่นใดก็ดีเกนจีวาโลกะสมิงใครก็ดีในโลกนี้ไม่มีใครสามารถจะนำออกจากพัฒนไตยได้จึงฝ่ า, าว่า ถ้าฟังเทศกันนี้แล้วตรวจสอบแล้วนะคอสนี้จบไปไหกลับไปบ้านมีคนมาถามจ้างไปไหมไปกับผมมันป้าไปกับผมมันลุงไปฟังตัวนั้นไปฟังตัวนี้ไปรับไปถือไปเอาของเ ข, เขาจะให้เงินเอาไหมห้าล้านสิบล้านอไมถ้าเอาแล้ว ว่ามัต้องเข้าพระเจ้าสมองค์เจ้ า, า, ามันต้องน้ อ, อาจารย์ตัวผมจะไปเสียหัวเด้วเราซีห ร, รอกเาลา้าวไม่ซีดๆปอเอา่บอกตอบเอง จ, จะได้รู้เองว่ามันคืออะไรท่านบอกว่าสถาปุรุชนเหมือนกับนุน่นตุละปิจุวางกับปาสะปิจุวาง และหุโสวาตุประธานงสามารถติดขี้สุธังหลายสัทธาของปุรุชนเหมือนปุยนุ่นเหมือนปุยไยตุระปิจุวาตุระกปาสวากปลาสไปวาไฟมันุ่นมันยิ่งเลยเคื่อกอะไรก็ไฟแล้วหุวาตุปธานงล้วหุโสวาตุประธานงเป็นท่านแห่งความเบา ของที่จะล่องเราไปกับสายลมในเมืองไทยเราทุกวันนี้ถ้ามีลมมามากๆสถาเราจะบ้านคนมาม า, มาถามเจ้าปฏิเสธศาสนาเขาไปเนอะปีวันเลยนั่นคือสถาบริชชนแต่ถ้าให้ต่อกับตัวเองว่าจ้างแปดโกดกับว่าออกประธานบริกรให้มันตายอยู่นี่ประธานผู้นั้นชื่อว่าสถานิวิธามูลชาษตาปฏิเสตาถาหน้าทำไมอะไรอาเซียนหายไมา เทเวนวาเกรเจวาโลกสนิมื่อมีเทวดามานผมและมนุษย์คนดานโลกนี้จะเคลื่อนเขาออกจากสถานในพระตัตายนี้ได้ตจสีจ่จแมนไปเครื่องวัดของผู้เข้าถึงกระแสนี้เมื่อมีทำเหล่านี้เสร็จอาทิยติสารมิเทวะตะนมย่อมถืออวโยน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ถือว่าเป็นสตัมบุรุษผู้เชียแรอันนี้เราเข้าใจแล้วยังมียี่คต่อไป นี่คำสอนมันเรืเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนะพุทธศาสนาการปฏิบัติก็สูงขึ้นเมื่อไม่ทำห้าประการนี้ยังมีอีกสูงขึ้นไปอีกเมื่อสังขาเรเหล่านะั้นย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในะสังขารเสียไย่อมเป็นการดีเห็นไหมเมื่อเราเห็นว่ามันเกิด แ, แล้วมันจะต้องตายจะยืนดาวอยู่มันก็ไม่เกิดร้อยปี ก็จะต้องตายก็เห็นว่าสังขารเหล่านั้นย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่คือกา ร, การปฏิบัติระดับสูงขึ้นมาอีกคือปล่อยวางวางเฉยในสังขารสังขารที่เราต้องเห็นอยู่เป็นประจำที่เรายึดถือ่เป็นประจำคือจิตตังขารที่เราสวดจิตตังขารหลังพริสังเวทิอัสริยะมิติสิกิ พี่สุวนั้นทําในบทสุดสาว่าเราจะเป็นผู้รูพ้พร้พอมเฉพาะซึ่งจิตสังขารความคิดที่มันฟุ้งมันปู ม, นมันแตกให้รู้จักมันแล้วมันจะได้ปล่อยเองวางเอ ง, อเองแต่เราปล่อยวางได้ย่างถ้ารู้จักปล่อยวางในสังขาร่รางเียได้สาธุตถาจุเปคนาการปล่อยวางการวางเจในสังขารสีรยไดย่อมเป็นการเองดีนะตอนนี้ดีเพราะสังขารตัวนี้พาเราไปเกิด อวิชามีอยู่ไหมก็มีสังขารมือสังขารมีก็บินดานตามรูป ส, สาลายจนนภัสสักนี่ทหารมีประธานไปเกิดเต็มตัวต้องไปแก่ไปตายเราตากระแสเริ่มต้นที่อวิชาเราไม่รู้เรามาสร้างควารู้ ข, ขึ้นเือยกว่าตากระแสแห่งแห่งสังสารวัตปล่อยสังขารไม่ให้มันใให้สังขาร ไ, ไ, ไปเกิดไปบินด่านเป็นนามไปรูปต่อไปโดยวิธีการแทรกแซงขบวนการของอวิชา เพื่อจะบรรเทาปัญหาในวิชานั้นอวิชชาไปว่าไม่รู้แต่เราจะสร้างควารู้จึงบอกให้เรารู้พร้อมปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารหาจะออกหาจะเข้ามันล้าลึกเมื่อที่เราพูดกันมาต้้งแต่ลึกขึ้นมาตื้นไปตื้นไปหาลึกต่อไปนี่คือการปฏิบัติเพื่อความเชิญในสังขารจะได้ยงกงเป็นกรณีทีนี้จะมียิ่สูงขไป อภิเตสันิโรธาปฏิปฏิญาติษาสุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดียิ่งนะที่มันจะหยบเมื่อกี้เราย่อมดีนั่งเป็นการดีวันนี้ยิ่งยิ่งก็ย่อมอะไรเดีก็ดียิ่งตอนน้องดีก็หยบสูงก็หยบถ้าอย่า ง, งปฏิบัติเพื่อดับสังขารเมื่อกี้ เราพูดกันมาตั้งแต่วันที่แปดจนมาถึงวันนี้เราจะพูดกันแต่เรื่องรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารแต่มีอีกนั้นเรายังไม่ได้จบแต่ยต่มีอยู่นิดนี้ถ้าจบไปถึงบทสุดท้ายมันจะมีอย่างบ่าทําจิตสังขารให้เรางับจงเรามาจิตสังขารแล้วจะมาศึกษาเรื่องจิตลวงลวนต่อไปต่อไปจะไปทําให้ดับจิตสังขารได้เมื่อดับจิตสังขารเมื่อดับสังขาร สังขารตัวนีมน้มันเกิดมาจากอวิชชาแล้วก็ไปเห็นเกิดสังขารสังขารก็ไปเห็นเป็นไปใจให้เกิดบินญาณวิญญาณก็เป็ไปใจให้เกิดนามรูกนามลูกเป็นไปใจให้เกิดสลายตนักเป็นหัตถเป็นตระหนัเป็นประธานเป็เวทนาเป็นตระหาักเป็นประทานเป็นพกเป็นชาติเป็นการเกิดการเกิดการเกิดการตายความทุกข์ทั้งหมดก็เกิดมาตามกระแสอย่างนี้เพราะฉะนั้นดีที่สุดคือจับสังขารเสียได้ ดับยังไงดับจะไฟไม่มาออกอย่างอนณาคามีฤาษีอรอาหันต์ทั้งหลายที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านดับสังขารสัญญากไปทะเยอแต่นิโรธเนี่ยดับสังขารดับกายสั้งขามดับปัจจิสังขารดับมโนสังขารกายสังขารดับจนลมหายใจดับไป อันนี้ต้องจเจริญสมาธิภาวนาไปถึงขั้นเจ็ดตุศชาคันไม่หรือวิสัยพวกเราทําได้ถ้าเราได้ทำไ ป, ไ ป, ไปำบ่อยๆทำเป็นประจําอันนี้มันน่อยจะดรอกเดมเจ็ดพึ่งแปดพึ่งสิบพึบ่งบ่พอตับเพราะว่าชิ้นเมือ่อแต่เมื่อกันไม่ใช่ไปดัดอย่างไดต้องเอาจ็เกี้ยไม่เป็นดับกายทั้งขามนี่คือดับลมหายใจเข้าหายใจออกมันเงียบดับหาไปเลยผู้ที่จะเข้าสูงเจ็ดตุศชาร ชาระดับนี้เป็นมาตรฐานของสมาธิอย่างสมาธิจะต้องทำาองมพีจงจนลมหายใจะรรีลงรีลงจมันดับไปท่านยังบอกว่ากว่าธรรมะจะ ต, จะตุจะตุทัศชาศะศาช า, าปชาศ า, า, า, าการตรกาโหดิที่สุดทั้งหลายลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ เป็นค่าเสกต่อจะทานทานที่สีถ้ายังยมีรลหัตใจอยู่เข้ามาได้ต้องมีวิธีหนึงถ้ามีเวลาเราจะพูดกันเรื่องทำยังไงจะทำให้โลหิตใจมันล้องรอร้อนเงเราจะมันดับมีนะหาที่ตั้งให้กับมันตั้งจะลืมที่จะลื่นในที่สุดลมนิดดีไปดีไลมก็จะดับดับป๊อปเงียบไป มีแต่วความเด่นตื่นอยู่ภายในแต่ไม่ใช่ตายนะแต่ถอนออกมาไหมอีกเวลาเาออกมันฟื้นมาอีกมันคล่อมมันแคบอีกอันนี้ดับการสังขารสร่วนวิญญาณสังขารมันจะดับสักเมื่อเราจะจะดับการสังขารมันต้องดับวิญญสังขารก่อนความคิดจะเอามาพูดมาคิดมันไม่มีนั้นนั้นคือมีตรตกไปจังเป็นมรเป็นวิญญสังขารเข้าทุกทีติยฐานก็ดับแล้ว วัจจีสังขารวิโตวิจาร์จะต้องโถดับไปส่วนมโนสังขารไม่ง่ายเลยต้องพัฒนาไปถึงนุ่นเนวสัญญาณสัญญาเตตระนุ่นถ้าจรงอธิษฐานเข้าไปจงอ จ, จิตก ต, จจตกังนี่รอดทางฟิสิอจิเตกังนี่รอดทางฟิสิกส์ไม่มีจิตที่จะที่จะทําหัดกสียดก็เลยดับไปแตนี้ดับแล้วมโนสังขาร อีวะอวปิเตสังนิโรธาญะปฏิปฏิยาติสาตุกะอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อจะดับสังขารนิเสีได้ยิ่งเป็นการดีและสรุปว่ากิจทั้งสิ้นนี้จะพึงกระทำให้บริบูรณ์ได้เพื่อความไม่ประมาทเท่านั้นแอดังนี้ผมจะรู้ดังนี้คือเพื่อนีุ่จู้ทุกดังนี้อัน น, นี้เล่าให้ฟังว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์จะมีธรรมชาติหนึ่งคือจะต้องศึกษาการศึกษาเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่ใช่ธรรมชาติของสัตว์อื่นเมื่อมนุษย์ได้พัฒนาการศึกษาของตัวเองเนี่แต่แต่กเก่งกล้าจะดีงามกว่าเทวดาแก่ผมดีกว่าผมดีกว่าเทวดาทั้งหลายมนุษย์มีธรรมชาติหนึ่งคือเป็นสัติท่ตมศึกษาสึกษากคือฝึกหาพัฒนาฝึกได้ไม่มีขอบเขตจำกัด จึงบอกว่าทรามนุษย์จะฝึก้นมาเทวดากั้นขอมหยงเทวดาอิจติตุริษฐ์ประลักกรรมฉะประหักกรรมฉะต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถจะกีดกั้นความภ้าเพียนภายามของมนุษย์ได้เทวดาได้บอกเองเเนี่ยมอนเป็นปิบัตบอกเลยเทวดาบอกฤอษีีงอจะไม่เคยได้ยินบอกเทวดาบอกได้ยินแต่พุทธเจ้ามา ต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถจะมากีกั้นกั้นขวางความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้ถ้าเราพยายามไปเรื่อยๆในการศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีอะไรกั้นเราได้หรอกทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าเราจะเอาศักยภาพความสามารถมาพัฒนาไหมพระย า, ย า, าจึงบอกว่าการยาหนังวาวัตโภศคิอั ต, ตานังอัตมานิสิ โอ้ท่านทั้งหลายเอ๋ยท่านทั้งหลายมีความสามารถที่จะทำตัวเองให้ดีงามได้หนอแต่ว่าบัด น, นี้ท่านได้ดูโขดูบินตัวเองเสล้วปิดประตูยอมแพ้เป็นระ บ, บาพวกเราเี็ศักยภาพของมีอันนึง่งใหญ่สรุปมาฟังก่อนที่จะจบกันเรื่องบวชเรื่องบวช เมื่อคืนเราก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์จุดมุม่งหมายในการบวจากวัฒนาการแห่งสังคมไทยประเทศไทยได้รับพุทธศาสนาพุทธศาสนาประจําชาติประจําจีนประจําใจวัฒนธรรมไทยความจเจริญงองามทั้งทางวัตถุและจิตใจเกิดมาจากแรกเงาเขามวลคําสอนของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของสังคมไทยหรือวัฒนธรรมไทย ก็จึงไกลห่างจากพุทธศาสนาไม่ได้ผูกพัพกนอยูพุทธศาสนาการบวชของคนไทยในสังคมไทยหรือสังคมเราด้วยก็ได้มันจะมีวัตถุประสงค์เพื่อัฒนาการไปไม่ไม่เน้นแต่เก่าแต่ก่อนแต่นั้นแต่ละบวชมาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกที่อยู่ที่บ้านหาไม่ได้แต่วันนีเมืองไทยแบบนี้มันมีวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายอยู่ สี่ประการเมื่อคืนพูดแล้วแต่ยังค้างอยู่ตัวหนึ่งบวชมาเพื่อทําหน้าที่ของความเป็นคนไทยสองบวชมาเพื่อทําหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธเพื่อจะรักษาพุทธศาสนาเอาศาสนาที่มีคุณค่าไว้ในจในใจเอาไว้ในตัวเราทั้งชีวิตไม่ได้ไปฝากไว้ที่วัดที่วาที่พระที่เจ้าแต่เราต้องมาบวชเป็นอาเสิบฉันตานัง แจะไปไปทาราันนันจะไปเล่าไปเรียนเพื่อส่งไว้ส่งคำสอนและก็จะต่อไปถึงพิธาลันนันเพื่อเผยแผ่กันกว้างไกลจึงบวชเพื่อรักษาพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติอันล้ำค่ามิคุณไม่ค่ามากแก่ชีวิตแก่สังคมสองบวชเพื่อทําหน้าที่ของขอาปคนไทยของคนลาวพุทธศาสนาเป็นมรดก ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนหลายชั่วบรรพบุรุษของเราหลายชั่วพระมหากษัตริย์หลายชั่วราชธ า, านเีเป็นสมบัติที่มีค่ามากมรที่มีค่ามากเราจะต้องรักษาคือทำหน้าที่เป็นคนถ่ยรักษาหน้าที่นรักษาโมรดกนี้คือต้องบวชสืบทอดศาสนาส า, า, สามบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณของบรรดาปิดาเมื่อกันได้ว่าไปแล้ว สี่บวกเพื่อพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิตจแตใของตัวเองให้มาดีมั่งามสรุปได้ว่าทั้งสี่อันนี้ได้ข้อเดียวข้อสุดท้ายถ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสิ่งมีธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาสามอันนั้นได้หมดพ่อแม่ก็ดีด้วยประเทศชาติก็ดีด้วยความเป็นชาวพุทธก็สมบูรณ์แบบฟื้นสถาสนาก็มั่นคง ข้อไหนทำจุสุดท้ายไม่ได้คือบวชตั้งใจบวชประพฤติทำจริงๆในชินสมาธิปัญญายังมีอันหนึงน่าจะคล้องแกงฝากเลยต่อไปบวชได้แต่ผู้สัต์บอไม่ยิ่งเดไม่ยิงสิตอบุญแท่งคุนพ่อแม่อะไ้บ อ, ก า, บอ ก, การกินนุม่มคนขึ้นกันคนก็เรียกว่าคึ้นกันบางคนอาแต่น้อยใจโหคือยินดีเถอ่ผู้สันะครับอแม่เด หรือเออเฮ่อไงว่าสีดีเลยบวแล้วบวชหัวใจบุญคุณพอแม่กับมี่บ่าวาแต่บุญคุณพอแมงบุญคุณไทยบานที่จริงคำว่ามันซ่อนอยู่บวชหัจครับครับบวชคืปฏิบัติธรรมแต่ถ้าบวชกันจริงจริยมผูดยิงนี่แหละแต่ตอบบุญแทนคุณบิดามารดาได้ด้วยการบวชเป็นแม่ชีนี่ด้วยการบวชเป็นเป็นแม่ชีชั่วข่าวของดำๆหน่อก็ได้ไม่ใช่ที่ว่าสทธัน พระมหาติพระวหาโมกขเลยบุตรติสาทเธะได้ถวายถ้าพระพรบอกพระเจ้าเอโศกว่าเมื่อพระเจ้าอโศกถามผมโยมได้ทะนุบำรุงพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างวาสร้างอารามสร้างวิหารสร้างเจดีาา 8, 8, 8, 9, 9, ย์มาทั้งแปดหมื่นสี่พันแห่งนี้เชื่อโยมได้เป็นทา ย, ยาทของพุทธศาสนาหรือยังเป็นญาติของพระุทธเจ้าหรือยัง เปเพื่อรับมรดกสืบทอดมาจากพุทธศาสนาทุกอย่างท่านบอกว่าังเลยถ้าจะสร้างแต่แผ่นดินนี้จนจดพมโลกพมโลกหรือจะสร้างจนครับจั ก, กรวาลเนี่ยยังไม่ชื่อว่าเป็นสาธสนาญาติเป็นผู้รับผิดชอบต่อมรดกของพุทธศาสนาไม่สืบทอดศาสนาได้หรอกทายังไงผมยิงดีรับได้ครับผมถ้าคนอื่นจะรับได้ไดยังไงเขาไม่มีเ ง, งินไม่ทออย่างผมทํามากขนาดผมเป็นยังถือว่าไม่ได้เป็นทายาท พระโมคคิบรก็เลยถามพออา่อขันปะถ้ามหาบพิตรมีลูกหญิงก็ตามลูกชายก็อย่างลูกญิงก็ได้ลูกชายก็ตามถ้าเขาได้บวชทั้งทั้งสอนนั้นแหลจะ ไ, ไปพูดเสิบอริพัสตาณาเป็นทายาของพระตานาเมื่อได้บอกว่าแต่ลูกชายนะบอกว่าทั้งลูกหญิงและลูกชายเมื่อว่ว่ามีลูกอยู่สองคนซึ่งยังไม่ได้แต่งงานจเจ้าชาย ไม่หินทะเจ้าหญิงสันมินตาเทปีผู้เป็นน้องเมื่อได้ยินแล้วก็ขอพ่อบวชเลยบวชทั้งสองเป็นพระ อ, อาหาทั้งสองต่อบุญแทงคนมือได้พิดาได้ไไดไดสะสมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายแม่ใหญ่ท้งหลเมื่อมาบวชเมื่อมานั่งสมาธินเ น, นี่ยนานเข้าจิตมันจะเริ่มเริ่มไปข้างหน้าก่อนมันจะดิ้นรนกวาดแกวไปข้างหน้าเมื่อเราไม่ได้ไปกับมัน มันจะย้อนหลังมันจะวิ่งคืนหลังไปสู่อดีตมันจะไปจำํำจำจำพ่อจำแม่เลี้ยงมาลำบากลำ บ, บนอยู่ตรงนั้นตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาจำมาแลได้หมดตอนนี้ใจจะเริ่มอ่อนคนลุกขนพองน้ำตาไหลใจอ่อนสะท้านเยื่อเกนเฮเราพูดอย่างนี้กักบแม่เราพูดอย่างนี้กับพ่อเราทำการจะเดินสมาธิภาวนา น, นี่แหละที่บวชมาชั่วข่าวเพียง ก้าวันสิบวันนี่แหละมันจะทำให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่แต่ต่อแทนท่านได้อาตมานี่คิดว่าจะเข้าใจเรื่องบุญคุณพ่อแม่ครั้งแรกที่ว่าตัวเองเข้าใจดีไม่ได้เรื่องอะไรจนมาบวชมาเจริญสมาธิภาวนาวันหนึ่งเดินจงกรมอยู่ในห้องน้ําตามันไหลมันจํา มันคิดไปไกลๆเราไม่ได้ไปกับอะไรที่มันจอนเําจำได้หมดพ่อแม่ทุกอย่างลำบากอยู่ตรงไหนเอามาเลี้ยงดูเราจำได้ภาพตั้งแต่น้อยๆตั้งแต่กินนมก็ยังจำมันจะมาได้อย่างไรจิตนี่มันเริ่มสงบลงมันก็เห็นของเก่าไม่ต้องพูดถึงชากรชาเดี๋ยนี้เดียวมันก็ย้อนไปถึงของไปเด็ดไปเดไปๆวันหนึ่งเดินจงกรมอยู่ ปวดขานั่งนานพอลุกเดินจิตไม่คิดไปอย่างหนึ่งนะตอนนั่งจิตไม่คิดไปอย่างนึ่งนะไปยาปวจิตไม่คิดไปอย่างหนึ่งนอนไปคิดอีอย่างหนึ่งนะต้องสังเกตอะไรนั่ง bye. นานคิดแต่เรื่องเรื่องของแม่ของพ่อคิดถึงท่านฟ้ามันดอกวันนั้นเอ้ยถ้าพ่อแม่คิดได้ยินเสียงเสียงฟ้าร้องมันจะคิดถึงเราสาธุขออย่ากให้แม่คิดถึงเรานอเราได้ฝึกที่ใจมาพอสมคนถ้าแม่คิดถึงเราแม่จะไปทุกข์เรา ขออย่าใหม่คิดถึงเราคิดถึงแม่อย่างนี้นลูกคือเดินตอนนี้คิดหนักยิ่งกว่านัน่คิดไปเรื่องไปยาวไปไประจําเมื่อเราเร า, เราไปคิดจํามันจํามาเองมารีคอร์ดเลชั่นกันมาเองเหมือนน้ําที่มันขุนเราเอาเอ า, เอาสานต้มไปใส่แกว้งไกวจนสารต้อมออกฤิน้ํามันก็ใส่อะไรยืนในน้ําเรามองเห็นมันก็ใส่เลยสมาธิเหมือนสารต้มจิตใจที่ขุนมัวก็คือจิตใจธรรมดา สารส่งคือสมาธิจะไปไปกวนไปแปลกเมื่อ ส, สารส่งออกฤทธิ์แต่ที่มันหวั่นไหวเศร้าหมองมันจะตกตะกรเราไปสายเจ้มันจะจําได้เห็นเมืดอลูกคิดเดินจิตใจก็คิดถึงเรื่องเออก่าซึ่งเราไม่ได้ไปตั้งใจคิดไปเห็นแม่ไปช้อนสอนกุ้งสอนทิ้วน้อก้ขีดไทยน้องห้องขิดไทามามายจากเมืองวนมามาอยู่ที่นี่มันทุกทุกยาก หน้าก็อยู่นู้นไกลๆแต่ไม่ว่าเราเป็นไข้นอนอยู่ในเปในอู่ให้พี่สาวแก่งแกล้งเรียก น, น้องแม่ก็สั่งเบิ้ลน้องเด้อลาเด้อน้องแห้งไข้น้องขิ้งคอยก็เบิ้ลน้องเด้อเย็นๆไกลตาอย็นๆนี้ไกลน้องเด้อแม่จะไปสอนหาหัวหาเสี้ยวมาบัดกินได้ยินเสียงแม่พูดอะไรก็จําได้ขณะบวมมาในตัวอก็ยังจําได้นะเห็นผ้าแม่ หลังจากไปช้อนมามีกุ้งมีซีมีเมีย่ยนางองนางก็งไม่เบิดผ้าเปียกๆหิ้นเฮี้ยนเปียกชืดมาตรอกเดินมาถึงถึงเทีย ง, งนาสวิงกัปตามนมาโนกาพามาพี่สาวมองเห็นอีเมลวันเล่อีเม ล, เลวัน เ, เ, เล่แล่นวิ่งไปหาวิ่งไปห า, ปหามหาแม่แม่ไวยังไงคำคำแรกที่แม่พูดที่พี่สาววิ่งไป นอนไปจังไดนอนผ่าไข้บ่ได้ยินเสียงเพียงแม่พูดอย่างนี้ใจเรามาดีหายไข้ไปแล้วเพียงแด่เสียงของแม่ก็เป็นยาวันนั้นพกคิดอะไรนี้น้ำตามันไหลมันเห็นภาพเห็นภาพของแม่ที่ลำบากกับเราคิดว่าเราบวมนั่นจะคุ้มค่าให้แม่เราได้รับบุญไหมทุกส่งทุกอย่างที่กระทมาจะาขออุทิศกับแม่คนเดียวชิ้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้น มั่นได้วบาผู้ที่มานั่งสมาธินานๆมันจะคิดเรื่องเหล่า <Tonight> นี itor, ้มันจะกลับเขินมาคือเรื่องนี้มันเป็นสัญญาถ้าเราคิดไปข้างหน้าวันหน้าเดือนหน้าปีนั้นไปสังขารแต่เมื่อคิดย้อนหลังเมื่อวานเดือนก่อนปีก่อนสิบปียี่สิปีก่อนมันจานั่นคือเรื่องสัญญาสัญญาเวทนาวิตกเหล่านี้จะมารวมกันเป็นสังขารปรุงแต่ง จิตบางคนมีอยู่เพียงแค่นี้เนะี่ยไปคิดถึงความเก่าความหลังคิดถึงความดีก็เมือนจะได้ขึ้นสวรรค์ได้ดิ้งได้ดิ้งสมาธิดีๆเนี่ยนะทำานทีแค่แค่แค่แค่จ้อง ก, ก้อยก็เมือนมันโตเท่ากับภูเขาทําบาปเท่ากับขัวไม่มือเท่ามันโตเท่ากับภูเขาคือนสุดโต๊รกคาก็มันจะเห็นเบาเห็นบนอย่นี้ทําไมจะไม่ได้ไม่ได้ตอบบนแห่งคนเพราะแม่การบวชบวชเป็นพ่อขาแม่ขานั่นก็ได้ อ บ, อบัเลือกเฮอหนึ่งบัดอกก็ได้บอยให้อย่างนี้เสียนะนางบัวทุร่รตหาไปบิดหนึ่งอยู่ใจขี้บัวบัวจกดอกเพื่อพ่อแม่เขาจะยินปวัาขั้นจะมาเจ้าไงมาเจ้ไปบัวเ อ, อ้ยิงยวนไอ้สิ่งที่ทำพ่อได้จำนั่งความพ่อคุแม่พ่อได้แก้ดึงถึงสวรรค์ลูกเอ้ยนั่งสลารับตาแม่สุขอคำกล่อมของแม่แต่ก่อ น, น, นสอนสิ่งสอนทำใส่หนึ่งหัวในจในใจของลูกแต่ดีนี้มันไม่ดสอ น, นอย่างนั้นมันก็เลยล้มเลยล้มเหลวทางจรเรยนทบ้านมือง ลูกมันเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์แม่ครูครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะขาดระเบียวินัยยิ่งขึ้นถ้าจะให้ดีก็มาทำกันอย่างนี้เลนะนียมันจะเกิดประโยชน์ชีวิตจะดีงามมีความสุขสังคมจะสงบปล่มเย็นกเกษมฐานประเทศชาติจะเจริญมั่นคงรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะคนใ น, ในประเทศในสังคมมีชื่อมีฐานไม่เบียเบียนกันควาสคมสงบก็จะเกิดขึ้นต่างชาติก็ไว้วางใจ การขนเงินของสามารถลงทุนได้เศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองการเมืองก็จะรุ่งเรื่อด้วยการศึกษาการพื้นรปรึัติกัานร น, นั้นนึงวันนี้คนจะสงควรกับเวลานะจดหมาไม่นมากดูสิเนี่ยเขาจะต่อไฟมังมองก็ไ่เห็นกลางคืนควนมืออื่นเป็นหนีซะก่อนเลยพอไวต่ออ่านไปนเห็นเบบนี้กลางคืนแต่เอาเว้นมืออืมันมาน่งอ่านกันต่อคนที่นเนาะ วันนี้ของสำคัญเกี่ยวกเวลาการบวชของพวกเราไม่เป็นหมานไม่เป็นเหมาอนเปล่ายังบวชเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่ศาสนาแก่บิดามารดาแก่ตัวเราเองที่ดีที่สุดคือบวชเพื่อพัฒนาชีวิตคุณค่าของตัวเองให้ตัวเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีคุณธรรมประจําใจดีงามขึ้นก็ได้ประโยชน์หมรดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งประเทศชาติทั้งสังคมทั้งพระศาสนา อันเดียวเท่านั้นได้ทั้งสี่ยิงปืนนั้นดีได้สี่ได้สี่ตัวเพราะฉะนั้นทําให้กระถานี้ขอมองให้แกท่านทุกคนเอาไปคิดบวชแลท่านบวชจริงๆได้ประโยชน์ถึงประเทศชาติถึงพระศาสนาถึงวีดามดาถึงตัวเองถึงบุคคลที่สนับสนุนดอกทั้งญาติทั้งยมพ่อแม่ทั้งหลายญาติยมทั้งหลายคนแก่คนเท่าผู้หญิงทั้งหลายก็ดีจงได้เข้าใจตามนี้แล้วจงมั่นใจเถิาการบวชท่านนี้บวชชีบวพันนี่แหละ จะได้ตอบบุญแทนคนของปิดามารดาที่ตายไปพอดีที่ยังอยู่พอดีได้รับประโยชน์ร่วกันด้วพฤติกรรมนี้ด้วยศึกานี้สุดท้ายอริยะญาธรรมศรัทธาศินสุตตะกาขปั ญ, ญาจงจเจริญ ง, งอกงามรุ่งเรืองในใจในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสุดท้ายใส่ด้วยคุณธรรมันนี้จะท่งท่านประสบความโชดช่วงในใจิตใจดูดังดวงไฟไกลห่างจากความทุกข์ในวัฏฏะในวัฏฏะสองฐาน วิวัตตาขามินีปฏิปทาโดยทั่วกันทุกขั้นทุกคนทุกโลกทุกองค์ธุโทา